พิธีการที่เกี่ยวกับการปรงสริรละหลวงพอ่อเอาสิ้นสุดนะ่ตั้งแต่เมื่อเช้าที่เหลือก็เป็นการ เ, าเก็บงานสะสางาสถานที่ต่างๆก็ถือว่าในส่วนตัวเนื้องานก็เป็นอันสิ้นสุดกันจบสิ้นในวันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะทั้งพระสงฆ์ทั้งแม่ชีทั้ง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 มีความสมคัคคีกันในเรื่องความคิดความเห็นความแตกต่างทางความคิดก็มีบ้างเป็นธรรมดานะแต่ว่าก็สามารถจะทําให้งานเนี่ยเป็นไปโดยาราบรื่นเป็นเอกภาพสิ่งที่หลวงพ่อกําชาบไว้ว่านะอย่าให้มีการทะเลาะนะหรือว่าขัดแย้งกันเราก็สามารถที่จะทําตามที่หลวงพ่อได้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 เรียกร้องให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะสาหรับการจัดงานครั้งนี้นะใส่งเหตุสคัญก็พ่อหลวงพ่อได้เขียนไม่ชัดนะว่างานจะให้เป็นลักษณะใดซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องความเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยเน้นเรื่องเนื้อหาสาระคือศาสนธรรม แช่ไหมแต่เรื่องการทอดบาบังสุกุลท่านก็กำชับเลยนะว่าไม่ให้มีเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องเฟอร์ไปแล้วนะท่นนี้คนบางคนก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่อธิบายได้ง่ายเพราะว่าอย่างน้อยๆ น, นะมันก็เป็นอการระบุของหลวงพ่อเป็นเจตนารมของท่านตั้งแต่แรกแล้วพวกเราก็จะว่าไปแล้วก็นับมาโชคดีนะที่ได้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 เป็นประจําสม่ําเสมอแล้วก็หมอที่มาช่วยยวงห่างทีมที่ดูแลนี่ตั้งแต่ตั้งแต่อาจารย์ตุม้มอาจารย์โน้ตนะจนซึ่งเป็นทีมที่ดูแลช่วงแรกๆมาจนถึงระยะหลังก็มีมาเสริมนะถนัดจล า, าแล้วก็ท่านอัน๋นอันนี้ก็เรียกว่าทํางานกันได้ได้อะประสานงานกันได้ดีนะถึงแม้ว่าจะ รับภาระที่มากแต่ว่าก็ได้ช่วยกันทำให้คณะสงฆ์นีวางใจไปได้ว่าทั้งสีท่านรวมทั้งทีมนสนับสนุนนะันนอกจากหมอตองหมอปิ่งแล้วนี่ยังมีอีกหลายท่านแล้วก็ฝ่ายคารวะนะโยมหมูแล้วก็อีกหลายคนคุณนิคุณวันเป็นต้นนะก็มาช่วยอย่างต่อเนื่อง อันนี้ก็แาเป็นความเสียสละนะแล้วก็สมควรที่คณะสงฆ์แล้วก็ชาวสุกโตนี่จะจะขอบคุณที่มาทำการแทนพวกเราวพวกเราก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกหรือว่าทำกิจส่วนตัวได้อย่างราบรื่นก็เพราะว่าโดยที่ไม่ต้องอะพะวงกับหลวงพ่อมากนักเพราะว่ามีทีมผู้ดูแลนนะมาช่วย น, นี่ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งทีนะ่อยากจะบอกกล่าวนะสำหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดเจ็ดเดือนที่ผ่านมาแล้วก็รวมทั้งเมื่อมอีเมื่อถึงคราวที่เราต้องทำงานถวายให้กับหลวงพ่อเพื่อที่จะโปรงเซริรา์ของท่านให้ไม่ใช่แค่สมเกียรตนะิแต่สมธรรมนะสมธรรมก็คือว่า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 สามารถที่จะสืบทอดเจตานารมของหลวงพ่อไปได้โดยเพราะการเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการรักษาป่าอนุรักษ์ธรรมชาติให้สอดคล้ อ, องกันทั้งธรรมะและธรรมชาติอันนี้ก็โยงไปถึงภูหลงนะแล้วก็วัดภูเขาทองด้วยพวกเราไปวัดภูเขาทองก็คงจะเห็นนะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวัดบ้านเนแต่ว่าต้นไม้ก็เยอะทีเดียวแค่จะเป็นป่า ป่าได้น้อยเลยอันนี้ก็สะท้อนถึงแนวคิด ข, ของหลวงพ่อทั้งในเรื่องของธรรมะและธรรมชาติถึงแม้ว่าเพดปอกูเขทองนี่จะหนักไปทางด้านาศาสนพิธีนะแต่ว่าเรื่องาศาสนธรรมแล้วก็ธรรมชาติก็ไม่ทิ้งอั น, นี้เฉพาะใกล้ตัวเนี่ยน ะ, ะพวกเราหลายคนนะในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมานะก็คงสารัวกับงานการต่างๆมากมายงานนี่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 มันก็แยกเป็นสองที่นะตอนนี้เราก็มากลับมารวมกันใหม่นะที่นี้ก็ขอให้ให้เหมือนเดิมนะให้กลับมามาทํากิจวัตรเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการทําวัดสดมนการบินธรรบาดรวมทั้งการภาวนาด้วยมันคนที่ทํางานมากๆบางทีมันติดน ะ, ะทางานหลายวันติดๆกันเนี่ยพอ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 เพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะพยายามอยู่กับตัวให้มากต่อเมื่อมีงานมีการอาจจะค่อยไปเกี่ยวข้องกันหรือว่าเกี่ยวข้องกันแต่พอสมควรในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมวัดหรือว่าเพื่อนนักปฏิบัติแต่ว่าไอ้เรื่องการทํำกิจส่วนตัวในเรื่องการภาวนาเ น, นี้ย น, นี่ต้องต้องถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเรามีเวลาน้อยอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้หมายเฉพาะพราะฉะนั้นนะาญาติโยมนะก็เหมือนกันบางคนอาจจะมีเวลาสั้นกว่านี้เลยซ้ำอาจจะมีเวลาเหลือไม่ถึงเดือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามนะกลับเข้ามาสู่การปฏิบัติกลับเข้ามาสู่การนะดูกายดูใจสร้างความสึกตัวให้มีขึ้นพอใจในการที่จะอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเอง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 เนะพราะพอมีชันทะมันเป็นนิสัยแล้วมันอยากทำทำแล้วมีความสุขเมื่อคนที่มีชันทะในการออกกาลังกายไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปประชุมสัมมนาที่ไหนเราก็จะต้องออกไปจ็อกกิ้งออกกำลังกายนะทุกเช้าหรือทุกเย็นเพราะว่ามันกลายเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นจากชันทนะวันไหนถ้าไม่ได้ทำแล้วก็จะสัวขาดอะไรไปบางอย่าง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 มานั่งเสด็จองเสด็จได้วเนี่ยมีเวลาเหลืออยู่ในวัดน้อยกลับไปบ้านจะทำอย่างไรนะทำได้เสมอนะอยู่บ้านก็มีเวลาปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็มีเวลาปฏิบัติทั้งนั้นถ้านะคนที่ชอบบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าหลวงพ่อท่านเคยพูดกับคนที่บอกไม่มีเวลาปฏิบัติว่านะ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 ที่เราอในครวนี้ปฏิบัติก็ได้หรือถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลาปฏิบัติในรูปแบบมากนะักก็จะไปเสียเวลากับหรือไปให้เวลากับความโกรธไปให้เวลาความหลงไปให้เวลาความวิตกกังวลความหงุดหงิดขัดเคืองใจนะเราแต่ละคนก็มีเวลาเหลือน้อยกันทั้งนั้นนะ ม, มีเวลาอยู่ในโลกนี้เหลือน้อยลงไปทุกทีเหลือน้อยลงไปทุกทีเพราะฉะน้ควรใช้เวลาให้คุ้มค่าอย่าปล่อยเวลาเสียไป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 ต้องฉลาดนะในการที่จะดึงจิตกลับมาเตือนเตือนใจตัวเองว่าเนี่ยจะเสียเวลาทุกไปทําไมจะเสียเวลาโกดไปทําไมจะเสียเวลาวิตกกังวลไปทําไมเรามาตั้งสติให้ได้เราก็ทําสิ่งที่ควรทำดีกว่าดีกว่าดีกว่ า, วาจะมานั่งเจาะจุกรูม อ, อกกลุ้มใจนะอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ควรจะเตือนใจเราในระหว่างที่เรามาปฏิบัติที่นี่ด้วยเพนะราะว่าถึงแม้มาปฏิบัติ บางทีมันก็เอาก็เผือใช้ชีวิตแบบเวลาอยู่ที่บ้านนะปล่อยใจให้หมดปล่อยเวลาให้หมดไปกับความทุกข์ปล่อยเวลาให้หมดไปกับความอ่ะหนุดหมิดขัดเครื่องใจนะหมดไปกับความหลงหมดไปความปรุงแต่งยิ่งมีเวลาอยู่ในวัดน้อยมีเวลาปฏิบัติน้อยยิ่งต้องต้องฉลาดในการปล่อยวางเรื่องอะไรทําให้ขุนเครื่องใจทําให้วิตกกังวลหรือว่าทําให้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 เอาคำนี้ก็เผื่เทนี้น ะ, ะกราบพระ